46หลวงพ่อกิมสอนเรื่องศุญญาตาวงเล็บเปิดสองพฤษภาคม2552ัในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อปี2527หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลชื่อหลวงพ่อกิมคำว่าในเครื่องหมายคำพูดกิมนี่ภาษาเขมร น, นะกิมไม่ได้แปลว่าทองในวงเล็บตามภาษาจีนไม่รู้แปลว่าอะไรไม่เคยถามท่าน กลัวถูกด่าอยู่กับครูบาอาจารย์กรรมาฐานเราถามอะไรนอกเรื่องดีไม่ดีเจอของแข็งของอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ค่อยเจอไม่โอ๋โออยากถามอะไรมาถามสินะโ อ, โอ๋โอไม่มีทางหรอกมีวันหนึ่งไปหาหลวงพ่อกิมตอนนั้นกุฏิท่านเป็นไม้มีสองชั้นกุฏิที่เห็นตอนนี้เป็นปูนทําขึ้นทีหลังก็ขึ้นไปข้างบนห้องท่านเล็กๆมีระเบียงแคบๆอยู่ข้างหน้าหน่อยหนึ่งท่านนั่งอยู่เราก็ไปนั่งฟังท่านเทศ ท่านก็ชี้เครื่องหมายคำพูดเปิดปราโมดเห็นสุญญตาในพื้นกระดานนี้ไหมปิดเครื่องหมายคำพูดบอกเห็นครับเครื่องหมายคำพูดเปิดปราโมดเห็นสุญญตาในลูกกลงนี้ไหมเครื่องหมายคำพูดปิดบอกเห็นครับเครื่องหมายคำพูดเปิดปราโมดเห็นสุญญตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมเครื่องหมายคำพูดปิดบอกเห็นครับในเครื่องหมายคำพูดเออใช้ได้จบธรรมเทศนาถามว่าสอนทําไม เอาไปทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันว่าสอนทำไมค่อยภาวนานะวันหนึ่งโอ้สุญญาตานะมันซึมซ่านอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเราไม่แบ่งแยกถ้าใจเราเป็นสองโลกก็เป็นสองใจเราเป็นหนึ่งธรรมะก็เป็นหนึ่งขึ้นมาโลกเป็นคู่เสมอแหละแต่ธรรมะมันเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตหนึ่งธรรมหนึ่งค่อยเรียนเอาค่อยศึกษาไปนี่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์อื่นไปหมดแล้วบางทีไปแล้วนะ เราก็มาได้ข้อมูลอะไรที่หลังยังหลวงพ่อกิมเรารู้จากพระที่อุปถักท่านว่าไม่อยู่วันหนึ่งปี2530ันหากว่าแล้วท่านก็เปร ย, ย์ให้พระอุปถากฟังบอกหลวงปู่ดูลแต่ก่อนเป็นพระเซนนะอยู่เมืองจีนท่านมีลูกศิษย์เยอะแยะเสร็จแล้วท่านมาเกิดเมืองไทยลูกศิษย์ตามมาเกิดหลายคนนี่หลวงพ่อกิมเลยสอนเรื่องสุญญาตาให้ฟังพวกนี้เคยเป็นพระเซนสอนเรื่องสุญญาตาแต่ท่านบอกเยอะกว่านี้นะ บอกพวกเราไม่ได้หรอก